อ๋มอมรณะตัวในมรณาสถานกับมรณาสันวิถีไอ้มรณาสถานก็เรียกการใกล้าตายบางคนมีการใกล้าตายเป็นปีเลยนะเช่นมีอารมณ์นิมิตที่ไม่ดีเป็นสุขตินิมิตรหรือทุกตินิมิตมาปรากฏก่อนอันนั้นแปลว่าเขามาเยี่ยมก่อนมีคนคนหนึ่ง รู้จักนะเป็นคนสอนสอนบาลีสอนอภิธรรมมาทั้งชีวิตเลยสอนสอนสอนสอนสอนท่านมาก็บอกว่าพอไปเจอหน้ามาก็โยมเออนั่งคุยธรรมะไปเสร็จย้มยมไม่ไม่ใส่ใจในการในการเข้าใจพระธรรมให้ถูกโอ้ท่าน ผมนี่เป็นอาจารย์สอนบาลีด้วยนะสอนอภิธรรมผมเขียนหลักสูตรด้วยท<ม>่านมาก็บอกว่าเ อ, อ้าเล่าให้ฟังหน่อยทีก็เล่าเล่าเล่าเล่ า, ล า, ลาผมสวดธรรมจักรทุกวันสวดมุนสวดมุนแล้วก็ใส่ชุดขาวเป็นอาจารย์นี่นะไปใส่ชุดขาวจะใส่ชุดขาวแล้วไปที่ไหนเขาเรียกอาจารย์อาจารย์สอนบาลีก็เก่งเนาะอภิธรรมเขาคิด สอนสอนสอนเด็เกสกระสวดมนทุกวันฉะนั้นผมรักษาศีลห้าครบเป๊ะเลยอะวไม่กินเหล้าไม่เลยใครก็มีกิจกรรมแล้วก็เชิญได้ป่ะมาก็พยายามเตือนว่าโอ้มันมั น, ม, นมันได้แต่แบบนะโยมนะโยมมันไดแต่แบบนะโยมนะไปไปมาๆทีนี้ก็หายไปประมาณปี มีอยู่วันหนึ่งแกขับรถมาขับมาที่มาอยู่ที่ที่วัดแกมาไปเสร็จปกติเวลานั่งคุยกับมาเนี่ยให้คนเรียนธรรมะมากๆในใจเยอกระด้างในตังเกียตัวเนี่ยพ่อไม่รู้เวลา น, นั่งคุยกับเราเนี่ยไม่นั่งนั่งนั่งคนโตก็จริงก็นั่ ง, น, งนั่งคุยธรรมดาแหละคือเป็นกันเองอะ่ะท่านก็นรู้พระธรรมฉันก็นรู้พระธรรมอ่ะเข้าใจจะมันเท่ากันทั้ชีวิตนไม่มีอะไรมาก มันจะเป็นแบบนี้แหละเราก็รู้เขานี่เราก็รู้ว่าเอออธิษฐานใส่เขาเป็นคนมีปัญญาพอสมควรทีออ่มาคราวนี้ก็แปลกก็สันด้วยนะตัวสันแลนั่งอยู่ข้างล่างนั่งนั่งอยู่ข้างล่างเอาย่อมไม่นั่งข้างบนมันเดิมาะโอท่าเนเลยตัวแกก็เล่าอีกฟังกับผมผมแกก็เล่าอีกฟังว่านี่ตอนเมือม่อเมื่อวานนี้แกก็เล่าแกก็เล่าฟัวางว่าผมไปสอนบาลีมาเสร็จปุ๊บผมก็มานอน ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยที่แรกว่าจะลุก <c oughs> ไปสอนอนภะิธรรมต่อเนี่ยผมก็ลงนอนว่าไหมพอนอนต่อฟือ้ลงไปนี่นะผลปรากฏว่าแกก็หมดแรงไปเลยเพราะหมดแรงมันเหมือนมีอะไรตึงอย่างนั้นแหะแล้วก็การแนนแน่นแนๆนออกก็ปึ๊บในความรู้สึกเนี่ยแต่พอฟื้นรู้สึกอีกทีแกบอกว่ามีคนสามคน ตอนนั้นเลยมายืนยืนทะมึงถึงเนียแล้วก็จะล็อกแขนแกสองคนจับปุ๊บ้วจับตรงเนี้ยจับไหล่จับตรงไหล่เนี่ยปุ๊บจะจับยกขึ้นเลยแกก็ดิน้นพยายามจะดิน้นเอ๊ะทําไมแกไม่มีแรงไปเนี่ยแกไม่มีแรงเนื่องในขณะเดียวกันแกก็หันมาดูตัวเองเดี๋ยวดูตัวเองแ ก, กบอกใจแทกขาดเลยมันไม่ใช่ตัวแกก็ว่ามันเป็นร่างกระดูกเยอะมันเป็นตัวกระดูกใสๆเป็นโพรงอะนะั่นแหละ ใส่แต่เป็นกระดูกเลยไม่มงียวยวัดด้วยแกก็เอะอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองร้องร้องแกก็ร้องใหญ่แกก็บอกว่าแกก็ขอร้องคนที่จะลากแกไปเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวแกขอบอกเมียและลูกก่อนอีกคนหนึ่งก็เสียงดังๆบอกไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลากไปตามถนนเลยแกก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยตอนนั้นแกบอกคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ออก แล้วก็ลากลากลากลากไปด้วยเบสเร็จแกก็กลัวมากแกบอกในชีวิตที่เกิดมาแกไม่เคยกลัวเลยแบบนี้เลยนะไม่เคยกลัวอะไเลยลากลากไปตามถนนแกก็มองเห็นคนอื่นแต่คนอื่นไม่เห็นแกลากไปก็มันเป็นกลางวันนี่ลากลากลากไปทีนี้ไปผ่านพระเจดีวัดนึงแล้ววัดที่แกแกสอนบาลีนี่แหละแกเห็นไปแกบอกเห็นเจดีแกเคยไม่คิดเลย เพราะเคไม่เคยน้อมเลยอะนึกไม่ออกก็เห็นว่าเจดีย์คิดไม่เป็นแล้วเห็นก็เลยนึกถึงพระที่เป็นเป็นเจ้าวาดเนนะี่ยบอกว่าขอไปลาหลวงพ่อคอนอีกคนนึงไม่ใช่คนเดิมพูดนะบอกไม่ต้องไม่ต้องกระลาเข้าป่าไปเลยเนะี่ยขึ้นไปไปไปไปเป็นเขาเป็นเขามองไปข้างหน้าเป็นภูเขาสามลูกก็่เห็นควันไฟอยู่ข้างหน้า น, นี่ก็ลากลากไปอยู่ตรงนน้นเลยพอไปดูเนี่ยแกบอกว่าพอไปจับไปถึงถึงตรงนั้นน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนไฟมันดูดเข้าไปข้างในมันเป็นภูเขาสามสามเส้าอย่างนีน้แล้วก็แกมองไปข้างบนแกบอกให้เห็นในตัวเหมือนแกเนี่ยไม่มีคนจับมันร่วงลงไปเอะมันล่วงมาทีละสิบทีละยี่สิบมันไหลลงไปเลยฟุดฟุ ด, ฟ ด, ฟดเนี่ไอเป็นล่างกระดูกเลยเต็มไปหมดเลยล้องกันล้านหมดเลย นี่นี่สามคนเนี่ยไอ้สองคนพอปล่อยพอปล่อยแกตัวแกก็ค่อยๆล อ, อ, อยแย่มันแปลกอย่างนะไม่ไม่ไม่ไมไมเร็วเหมือนคนอื่นเขามันค่อยๆลอยลอยล อ, อ, อยแกก็ตกใจก็รีบคว้าไอีไอขอบไอขอบไอสะไอขอบไอที่ว่าภูเขาเนี่ยเกาะเขาไว้อย่างเงี้ยแกเกาะอยู่อย่างงี้นะแกะก็กลัวอยู่นั้นแหละลนลานกลัวแกบอกในชีวิตไม่เคยกลัวอะไรมากขนาดนั้ น, น, ะนะพอกลัวเบียเศแกก็ แกยองมองไปข้างล่างก็ อ, งอยากจะรู้ข้างล่างก็องบอกชูมือกันสลอนหมดเลยร้องในเสียงหวีดวิวหมดเลยแกก็เกาะอยู่อย่างนั้นแหละเกาะจนแบบจะเป็นชั่วโมงไหมเกาะเกาะอยู่แกคิดไม่ออกคิดธรรมะคิดอะไรแกคิดอะไรไม่เป็นมีแต่ความกลัวอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันแกบอกได้ยินเสียงเสียงพระเรียกพระเรียกชื่อแกคำวุ่หายไปเลย แล้วต่อมาแกก็มารู้สึกตัวขยับแกนอนร้องไห้นอนอนอนร้องร้องไห้ตัวกแกก็แข็งทื่ออยู่นะแกรู้สึกตัวแกลุกไม่ได้ประมาณอีกคร่ชั่วโมงกับสองชั่วโมงเนี่ยลุกไม่ได้ร้องไห้ก็คิดถึงตัวเองว่าเราทั้งสอนหนังสือมาสวดมนต์ สิ่งเหล nicht, ay, raus, 101, ussian, ่าน ja ี้นึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกอะไรเกิดขึ้นกับเราและแกยังไม่รู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นเลยเนะในนั้นแนี่ยแกบอกครูแฝดเนี่ยอาจารย์เนี่ยแฝบในความรู้สึกแกแกบอกจะต้องมาทำมหาอาจารย์ดูแต่แกวินนึกๆเนี่ยแกนึกย่งนี้แกขับรถมาพอหลังจากคนนั้นขับรถมาก็มานั่งทักเขบอกโอ้โยมเนี่ยอันนี้นี่นี่เขรียกทุกขตินมิตรนี่เข้าใจไหมทุกขคตินมิตรไม่ใช่ตายจริงนี่เขาเรียกนิมิต นี่ทุกขตินิมิตนี่เรียกมรณาสนณการไม่ใช่มรณาสนาวิถีนี่คือการใกล้ตายดีนะถ้าตายไปไหนเนี่ยนั่นแหละทีนี้แกบอกแกจะทำยังไงแกจะทำยังไงแกจะบวชเลยไหมไม่ใช่เรื่องบวชแล้วเรื่องความเข้าใจ ไม่ใช่เรื่องบวชนะตอนนี้มันเรื่องความเข้าใจอ่ะคุณจะทํำยัำยงไงแสดงที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณฟังพระธรรมยังไงคุณปฏิบัติยังไงคุณนั่งกรรมาฐานยังไงเนี่ยทําไมคุณไม่เคยมีความเฉลียวฉลาดในการจัดการตัวเองให้ออกจากใบภูมิได้เลยเนี่ยแล้วคุณเสด็จศีลยังไงคุณเดินยังไงในชีวิตจิตยจก็ถามไปก็ได้รูปแบบไงก็มีศีลนี่แหละก็ทําความดีนี่แหละก็โลคโกรธหลงไปตามธรรมชาตินี่แหละ เข้าใจอย่างอ้ามีหนังมีละครดูไหมดูทีวีดูทุกช่องไม่ดูรักษาศีลแบบนั้นแหละสนุกเพลิดเพลินปะ่ปะปก็นี่ไงก็อธิยาใสามันน้อมถึงนั้นจริงอยู่ถึงเวลาก็ไปสอนอธิบายธรรมะได้อะไรได้พาถึงคิวปฏิบัติก็ปฏิบัติศีลก็รักษาแบบธรมแบบธรมชาตินั่นแหละแบบธรรมชาตินไม่ได้เข้มข้นเลย เขาใหญ่างเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามรณาสันนการแต่ถ้ามรณาสันนวิถีวิธีใกล้ตายเนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนแปลงกระแสชีวิตใหม่ไมหมก็พอรับอารมณ์ปั๊บก็กลับเหทีหม่มว่าที่สุดจริงๆตัวที่กําหนดจริงๆกลายเป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นตัววิถีจิตแสดงว่าสภาพวิถีจิตตอนนั้นอ่อนแอมาก ไม่สามารถที่จะพลิกผันกับสถานาการณ์ได้เพราะตนเองไม่เคยสั่งสมฉันทาวิริยะจิตตปัญญาในกุศลชวนะให้แข็งแรงในการไข้ควรใดๆเลยอยู่ในสถานการณ์คับขันไม่เคยเอาตัวรอดได้ที่จะได้กุศลจริงเลยไม่เค ย, เยมีไงนักปฏิบัติที่ยกตัวอย่างมาในคือนักปฏิบัติเลยนะเนี่ยปฏิบัติเลยมีคอที่ไหนไม่เคยพลาด นำด้วยนำด้วยเข้าใจยังอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนไม่มีข้อมูลอันนี้ไม่ได้ยกพุทธการด้วยนะยกปัจจุบันใะห้เห็นข้างพุทธการอีกเยอะทั้งหมดคือเข้าใจคาว่าคัดฉามนี่ยั ง, ยงแต่ว่าไปแล้ว่าถึงแตว่รู้แล้วเข้าใจด้วยแล้วอะไรไปอะไรไปถึง สภาพใจิตใจที่ต้องเข้าต้องเห็นจริงๆมว้ต้องเห็นสภาพของศีล น, นะโศกานี่คือความโศกไหมเคยใครเคยโศกไหมความแห้งใจสูญเสียญาติสูญเสียทรัพย์เคยโศกไหมแล้วสูญเสียญาติสูญเสียทรัพย์สูญเสียอะไรอีก โรคภัยให้เจ็บเกิดแล้วรักษาศีลที่ผ่านมาศีลไม่เคยเกิดเลยสูญเสียใจยไม่มโศกนะโหน้าโศกนะที่ผ่านมาลรารักษาศีลไม่เป็นเลยโศกเลยนีเนี่ยแปลว่าศีลไม่ได้เกิดขึ้นจริงดิในชีวิตเราเนี่ยก็สารณะเราไม่ได้จริงอ่ะหน้าโศกไว้เนี่ยโศกแล้วเกิดเราเห็นผิดแล้วเห็นผิดบางกลุ่มมีสองกลุ่มนะเห็นผิดแล้วออกจากความเห็นผิดมาปฏิบัติถูกไม่ได้ ถามหน่อยว่าคนที่เขาเห็นผิดเขาอยากเห็นถูกไหมแต่เขาเข้าไม่ได้อะตอนที่เออริธกาพิคูลเนี่ยพระเจ้าบอกเธอเห็นผิดพอรู้ไปเสร็จปุ๊บเน่ะเขาบอกเออคือเธอท่านไปเข้าใจคําสอนพระเจ้าพุทธโอวาทอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเข้าใจแบบนี้มันพลาดคือเธอไปเข้าใจบอกว่าสัมผัสเนี่ย คือเธอท่านฉลาดในอริธรรมไงเขฉลาดในอิธรรมแต่ไม่ฉลาดในพระวินยัยไม่ว่าสัมผัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมผัสโต๊ะเข่ายิ่งกับสัมผัสหญิงเนี่ยไม่ต่างกันหรอกมันก็คือเย็นร้อนเนี่ยฉะนั้นไปถูกสัมผัสหญิงไม่เป็นไรก็ไม่ต่างอะไรกับถูกเก้าอี่งถูกโต๊ะถูกไม้เนี่ยหรืออย่างถูกบุรุษผู้ชายมันจะไปต่างอะไรกันเลยมันก็คือเย็นร้อนฉะนั้นมันไม่มีโทษอ่ขออภัยนะวะ ปัจจัยเนี่ยไม่มีโทษรับได้มันก็คือดินน้ําไปลมอะ่ะเข้าใจอย่างมันก็คือดินน้ําไปลมเนี่ยเราก็อย่าไปยึดเป็นเงินสิมันจะไปผิดอะไรแล้วพระเนี่ยเนี่ยจะไปถือมันไม่มีโทษไงแกไปเขียนแกอย่างเงี้ยเออเรียนในวิถีธรรมมากๆไปอย่างเงี้ยเพราะมันอ่อนแอเพราะวินยยัยไงอ่อนแอต่เนี้ยก็เหมือนกับว่าเหมือนอริษกาพิคูลเนี่ย พอไปเห็นเบ็ดเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมมันขัดอะไรอ่ะขัดเวสารัชยานพระุทธเจ้าบอกมันมีโทษท่านบอกว่ามันไม่มีโทษท่านเข้าใจว่าทำคําสอนพรุทธเจ้าดีท่านเป็นระดับอาจารย์สอนท่านยืนยันท่นอยู่นี่จนความเห็นแข็งแรงแล้วเพราะใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆก็เถียงกับเขาเถียงเถีงเถียงเถียงเงเีย ง, ย ง, ยงจนคนเอาไม่อยู่พ่อไม่อยู่เจอพระุทธเจ้าไปบอกพระุทธเจ้าพรุทธเจ้าให้เรียกมาพุทธเจ้าก็ถาม ถามไปเสร็จความเห็นเนี่ยนะถ้าสมาทานหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแข็งแรงยันครบเจ็ดครั้งมันถอนไม่ได้โย่เนี่ยท่านก็ถอนไม่ได้นะถอนไม่ได้ถ้านยังไงท่านก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่อะ่ะมันก็คือสัมผัสเย็นร้อนสัมผัสเย็นร้อนเนี่ยถ้าพระจะถูกกายของสตินไม่เป็นไรพระจะถูกต้องซับมันก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็มันมันไม่มีค่าอะไรเนี่ย พระเจ้ามีโทษมึงผิดเวสาลชัชยานของเราไปไปมาพระเจ้าโอนยุ่งแล้วยุ่งแล้วถ้าใครไปรบภิกษุพวกนี้มา ก, กจะมีกำลังมากเมื่อมีกำลังมากเนี่ยพระเทววินยัยพระเจ้าย่อยยับแน่นอนแล้วย่อยยับแน่นอนแล้วแตเขาก็พระเจ้าก็หันมาพูดภิกษุทั้งหลายบอกว่าอริทกภาพิคูเนี่ย จกงอกเงยในพระทาวน์วิเนียจะทําศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงสีละวิสุทธิจิตตาวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาจะพ้นทุกข์ได้จริงพ้าองคไม่เลยท่านมีความรู้สึกว่าเอา้าไม่เป็นไรท่านคิดนี้นะถึงแม้เราไม่สามารถงอกเงยในศาสนาของพระชินอาเจ้าแล้วเดี๋ยวเราศึกไปเป็นฆราวาสเราก็มีสุขติเป็นไปได้ พระเจ้าหักมุมหอิดเลยบอกว่าอย่าว่าแต่สุขติเลยอย่าว่าที่จะปฏิบัติตามพระธรรมแม้สุขติเธอก็ไม่ได้ทําไมไม่ได้เพราะความเข้าใจมันสมถารเสียแล้วเห็นไหมพอไปไปยึดมั่นแล้วมึงออกไปความเห็นอันนี้ก็ไม่ถอนเพราะมันถอนไม่ได้ ยังไงท่านก็ยังเห็นเพราะท่านไข้ควรมาอย่างอย่างชัดเจนเลยนะว่าเออมันไม่เห็นมีโทษรจริงๆแล้วท่านดูท่านก็ไม่ไม่ไม่ความไม่กำหนดยีดีอ่ะไม่มีโทษเพราะความเห็นของท่านมันเป็นอย่างนั้นไงแต่มันขาดอะไรขาดพยานขาดเวสาลัชย า, ยานพุทธเจ้าบอมีโทษเพื่อไม่ฉลาดได้จิตหรอก้าฉลาดได้จิตได้ไงใช่ไหมแต่ก่อนมาก็เห็นแบบเนี้ยเห็นว่ามไม่มีโทษท่านอาจจะจับไม่เรื่องปกติ แต่จริงมีโทษไหมมีโทษคุณกล้าถอนไหมนะ่ะถ้าคุณไม่กล้าถอนคุณมีโทษอ่ะมีโทษนี่ไงโพธิ พ, พารลมนี่ไงอภิธรรมนี่ไงวินยัยที่จริงไม่ได้ขัดกันนะแต่ตัวเราน่ยขัดเราขัดใครขัดพุทธโอวาสและอย่าอย่าพูดเรื่องบรรลุนะกลุ่มนี้จะเอาสุขติยังไง น่ากลัวไหน่ากลัวไหมน่ากลัน่ากวนกลัก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องก็ต้องรู้รู้รู้รู้ทุกมุมนะต้องรู้ทุกมุมเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิเมื่อยึดแล้วมันออกไม่ได้ออกอีกก็สง่งข้อใหม่ออกอีกก็ส่งข้อใหม่ออกอีกส่งข้อใหม่ ก็เลยเพี้ยนพุทธโอวาทเลยเลยเลยสารณะไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นคนนั้นจะไปร้องไห้กับใครที่เราไม่ได้ตรงตามพุทธโอวาทจริงๆลแล้วตอนนี้เป็นหรือยังเป็นยังไม่เป็นแล้วเนาะโอสาธุสาธุสาธุอู้ อย่าไปเห็นที่มันคันกับเวสารัชยานเลยตามพระพุทธเจ้านะเชื่อหรือยังพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อไหมพุทธเจ้าโลกัลวิทูเออเยอะอย่นี้อย่างตามพไท้เชเออในเกศาปุตตะนิครงกาลามาสูตรในกาลามาสูตรนะ พวกกล า, ามชนในจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดเลยเป็นที่เผยแผ่ความเห็นพลาดเต็มไปหมดเลยใครมาก็อ้างว่าโนเองถูกถูกถูกถูกถูกทั้งหมดต่อมาพระพุทธเจ้ามาหูไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแนี่ยเพราะเห็นนั้นเพราะผู้อิปากเจ้าเราไปรอ ก, กับวิถี จ, จุ๋มไปถามหน่อยเข้าไปถามไปเสร็จก็ถามงงมึนหมดแล้วบอกว่าเออเนี่ย ใครมาก็ว่าตนเองเนี่ยสอนถูกปฏิบัติถูกแล้วตนเองจะมีอะไรเป็นข้อวัดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกข้าพเจ้าสับสนหมดแล้วโลกประเทศไทยประเทศไทยเหมือนอะไรเหมือนกับเกสะปุตตะมิคงเป็นที่วิ่งมาของบรรดาเจ้าความคิดทั้งหลาย ใครได้มีโอกาสไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงคําสอนจริงๆคนนั้นถึงจะได้คําตอบว่าเออที่เราทําทํามาเนี่ยอันไหนมันใช่ไม่ใช่จริงหรืยจริงที่เรานึกว่าเดออเกสัปุตตานี่คุณเรานึกว่าตรงนน้นไงอินเดียไงที่ไหนได้เราลืมย่อไปว่าอยู่ที่นี่เอง <laughs> อยู่ที่นี่แหละใช่ไหมฟังไม่เข้าใจนี่ก่อน ในรายละเอียดมันยาวไงมาเห็นเวลานอาจารย์วันนี้ันสุดท้ายแล้วตอนืดอาจารย์ก็พูดิเนะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าไม่ให้เชื่อคำพูดอาจารย์ไม่ให้เชื่อแม้แต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเองนัหมายวาว่าการนวัการรนาตรงนี้เอ่อตรงนี้มันยาว ในเกศ์ปุตตสูตรในกลามชนในกลามสูตรเนี่ยในที่นี้ไปกก่าไว้ในอังคุตระิิายติกานิบาตจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเอามาถกมาถอดความไม่ชัดเพียงอ่านอย่างเดียวเดี๋ยวปฏิบัติไม่ได้เขาว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อสับสับนั้นนะถ้าอรักฐานท่านใช้คาว่าอย่ายึดถืออย่ายึดถือ อย่ายึดถือด้วยตัณหาอย่ายึดถือได้มานะอย่าเย่อย่ายึดถือได้ทิฏฐิว่าท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ของเรานะอย่ายึดถือด้วยตัณหาอย่ายึดถือได้มานะอย่าเย่ยึดถือทิฏฐิว่าท่านผู้นี้พูดแล้วมันตรงกับความคิดของเรา <c oughs> เป็นต้นนั้นอั น, นี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปยืดไปดูอีกทีอย่ายึด วีมีฟังคของพ่อในตัวจบอกว่าถ้าจะปบต้องี้อีีหน่อย่มรา้จิหงอะค๋อควรควรมีพื้นฐานใช่ไหยบ้า ก็ก็ต้องรู้ว่าจนสามารถรู้ว่าความโลภมีลักษณะอย่างไรความโลภเกิดขึ้นมาแล้วทําจิตเขาทําหน้าที่อย่างไรอาการของความโลภโลภเมื่อปรากฏในใจแล้วมีอาการเป็นไปอย่างไรแล้วอะไรจรึงเป็นตัวอาหารที่ทําให้ความโลภมันเจริญในกระแสะชีวิตของเราทุกตัวให้เรียนในนี้ความโกรธความหลงอะไรอย่างนต้องรู้จักเขาเพราะเราต้องละใช่ไหม ถ้าไม่ละถ้าเราจะรู้ว่าไอ้โจรผู้ร้ายมันขึ้นบ้านเราทุกวันเนี่ยมันหน้าตาอย่างไรถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยเราจะกระชากหน้าตามันออกมาได้ไหมไม่ได้นะเข้าเราก็เป็นผู้เปิดประตูต้อนรับมันอยู่ดีฉะนั้นก็ต้องรู้จักมันหน่อยใช่ไหมเออต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเลยมันมาในภาพของมิตรเนี่ย แล้วเราไม่รู้จักหน้าตามันเลยแต่ไม่ใช่ไปเรียนอย่างที่เรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไม่เคยมารู้จักหน้าตามันจริงๆเลยอันนี้ก็คืออย่าไปเรียนแบบนั้นแต่ให้เรียนตั้งท่าตั้งใจตั้งความรู้สึกว่าเราเรียนทั้งหมดหรือฟังทั้งหมดเนี่ยต้องการสืบค้นจับ คอากมาให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เองมามาฝังในกระแสชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้จัดการที่จะไม่ได้ให้เขาเกิด อ, อีกต่อไปไม่จําเป็นต้องบอกแล้วก็ไม่มีข้อห้ามเขาไม่มีกติกาว่าคุณจะต้องมาเป็นอย่างโน้ น, นอย่างนี้เราต้องการความรู้อะ รู้เพื่ออะไรเราต้องตั้งหลักให้ดีนะเราต้องตั้งหลักว่าเราจะเพื่ออะไรเนี่ยเราจะ้รู้จากหน้าถ้าถามอกว่าเอา้ยมเจริญสติที่มันเป็นไงสติเนี <laughs> ่ยสติแปลว่าอะไรระลึกได้เอาแล้วก็รละลึกได้ทุกทีระลึกทีไรโกรธทุกทีใช่สติไหมไม่ใช่เอายังต้องไปรู้จักเขาอีกแล้วใช่ไหม ไอ้คนนี้เป็นมิตรดีไอ้คนนี้เป็นมิตรชั่วต่อไปพุทธเจ้าสอนให้คบมิตรดีให้คบกัลยาณมิตรคบบัณฑิตเราก็ต้องรู้ก่อนอหน้าตาของบัณฑิตหน้าตาของคนพาลเป็นยังไงแล้วดูการงานของคนพาลการงานของบัณฑิตดูอาการที่ผลเกิดขึ้นนะอาการปรากฏเมื่อเกิดขึ้นของคนพาล กับอาการปรากฏของบัณฑิตเนี่ยแล้วดูอะไรที่เป็นเหตุให้พานให้เขาเป็นพานอะไรเป็นเหตุให้เขาเป็นบัณฑิตถ้าเราไม่รู้สองอย่างก็แยกพวกไม่ได้ก็แยกกลุ่มครบไม่ได้อใจเราเป็นมีสองใจนะใจที่เป็นพานใจที่เป็นบัณฑิตตอนนี้เราแยกไม่ออกมันมาด้วยกันอยู่ใช่ไหมเราแยกไม่ออกถ้าแยกออกทําไมเราเผลอไปครบกับเขาตลอดอลองสังเกตดวดีความโกรธ ด, ดีไหมทําไมถึงโกรธ ก็เราไม่รู้จักหน้าตาเขาความโลภดีไหมไม่ดีทำไมยิงโลภเราไม่รู้จากหน้าตาเขาไม่รู้จักหน้าเขาเขามาอยู่ในใจเราเราไม่รู้อ่ะเอา้าเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากได้ไหมเพียงสังเกตดูเดี๋ยวก็รู้เออไม่ใช่แล้วมันเหมือนว่าเอา้าโยมช่วยไปหน่อยอาตมารู้จักคนคนหนึ่งวันนี้เขาจะลงจากสนามบินนะ แต่มันเยอะนะลงมาเยอะนะย่อมย่อมถามไยมชื่ออะไรหน้าตาอะไรยอมต้องถามมามาไหมถามไม่ถามไม่ถามได้ไหมเดี๋ยวฉันรู้เองอะ่ะ ไ, ไ, ไ, ได้ไหมไม่ได้หรอกใช่ไหมลราดูข้อเท็จจริงขนาดหยาบๆมันยังไม่รู้เลยแล้วแล้วอีกที่มันละเอียดในใจเราถ้ารู้จักมันเราก็กระชากเขาออกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่ต้องพึ่งพทธเจ้าแล้วแต่พรเจ้ารู้จกักไหม พระเจ้าร hmm. ู hey, b ort, b ort. ้จักบอกเลยมันเป็นหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้บอกหมดนี่พระเจ้าบอกเอาหมดเวลาแล้วฮะสามารถถึงไม่ต้องควสามารถถึงก็ไม่มีปัญหาขออนุญาตนะคะจะได้สื่อนได้ไม่ว่ามาแขเลย อะระหังสัมมาสัมพุทโธ